ในวันพระวันศีลสนใจกันแต่วันเสาร์วันอาทิตย์เลยหมุนไปตามสากลเขาสวนมากนะไม่ช่วยกันรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีของพระพุทธศาสนาไว้เลยในเรื่องวันพระ8ดค่ำสิบห้าค่านี้ มันมีมาในพุทธศาสนาของพระพุทธเจ้าทุกพระองค์ที่ล่วงแล้วมาและที่จะมีต่อไปเบื้องหน้าน้นก็เหมือนกันนะ <c oughs> ไม่ใช่เพิ่งมีแต่พุทธศาสนาของพระพุทธเจ้าของเรานี่เท่านั้นนะเพราะฉะนั้นแหละ วันแปดค่ำสิบห้าค่าเนี่ยจึงชื่อว่าเป็นวันอุโบสถโดยแท้จริงท่านผู้สร้างบารมีทั้งหลายท่านก็ถือเอาวันแปดค่ำสิบห้าค่ำเนี่ยเป็นวันรักษาอุโบสถศิลของผู้ครองเลือนทั้งหลายแม้แต่พระพุทธเจ้าของเราตอนที่พระองค์ สเสวยพระชาติเป็นพระมหาสนกนะ่ไปฆ่าในสมเาอแตกแล้วก็แหวกว่าอยู่ในมหาสมุทรทะเลถึงวันที่เจ็ดมองขึ้นท้องฟ้าเห็นพระจันทร์เต็มดวงก็เลยเข้าใจว่าวันนั้นเป็นวันอุโบสถวันสิบห้าคำ่ำเอาอมน้ำทะเล บวนปากล่างปากแล้วก็สมทานอุโบสถศิลโดยตนเองด้วยอานิสง์ที่สมทานอุโบสถศิล น, นั้นก็ร้อนถึงเท พ, พธิดาผู้รักษามหาสมุทรเท พ, พธิดานั้นจึงได้เาหาะกลวดดูท้องน้ํามหาสมุทรไปก็จึงไปเห็นพระมาหาส น, นกโพธิสัตว์ ลอยคออยู่กลางน้ามหาสมุทรทะเลก็จึงได้สักถามกันทดลองความจริงใจว่าท่านจะแหวกว่ายไปทำไมมหาสมุทรกว้างใหญ่ไพศาลมองไม่เห็นฝั่งเลยถึงจะแหวกว่ายไปยังไงก็ไม่พ้นหรอกทำไมจึงมาแหวกว่ายอยู่อย่างนี้ มหาชนกโพธิสัตว์ก็ตอบเทวดาว่าธรรมดาบัณฑิต ท, ทั้งหลายก็ต้องทําอย่างนี้แหละไม่ควรที่จะปล่อยให้ชีวิตของตนแตกดับไปโดยที่ตนไม่ได้พยายามช่วยตัวเองเลยคนที่หมดหวังในชีวิตโดยไม่ได้ภาคเพียนพยายามช่วยตนเองเลยนั่นแสดงว่าคนสิ้นคิด คนไม่มีความคิดเลยคนไม่มีความอดทนอันนั้นไม่ใช่วิสัยของนักปราชญ์เมื่อมหาชนกตอบเทวด า, าเทวดาก็พอใจมากก็จึงลงไปอุ้มเอามหาชนกเนินขึ้นไปวางไว้แท่นบันลังของกษัตริย์เมืองตักกศิลาในครั้งนั้น บุญก็บรรดานให้รถเสียงททยให้วิ่งมาเกยเอาไปสวยราชคองเมืองตะ ก, กัศิลาอยู่ข้างนั้นเนื่องจากว่าพระมาหากษัตริยองค์ก่อนนั้นสวรรคตไป <c oughs> นี่แหละการรักษาโอโบสดสินนี่จึงได้ชื่อว่าเป็นธรรมเนียม ของนักปราชญ์ทั้งหลายตั้งแต่ในแตะไลามาแม้ว่าพระพุทธเจ้าไม่บังเกิดขึ้นในโลกแต่ท่านผู้สร้างบา ร, รมีทั้งหลายท่านก็รักษาศีลห้าศีลอุโบสถตามการเวลาอย่างว่านี่แหละ <c oughs> เพราะว่าผู้ที่สร้างบา ร, รมีทั้งหลายมัน ล, ลึกได้ถึงจะไม่มีพระพุทธเจ้าบังเกิดขึ้น แต่มันก็มีพวกฤาษีดาบทแนะนำสั่งสอนเอาให้รู้จักข้อวัดปฏิบัติ mm hmm. อย่างในตระกูลกษัตรยิรยราชคือตระกูลพระพุทธเจ้าของเราเนี่ยเมื่อพระพุทธเจ้ายังไม่อุบัติบังเกิดขึ้นในตระกูลของพระุทธเจ้านี่ก็พากันไปนับถือกบินระดาบทนั้นเป็นอาจารย์ ผู้ให้ศีลห้าหรือศีลอุโบสถถึงวันอุโบสถมาท่านก็ไปสมาทานอุโบสถกับกบินละดาบทด้แก่พระเจ้าสุโทโธทนะกับพ น, นางสริมหามายาเทวีและพระญาติพวงศูใหญ่ <c oughs> <c oughs> เมื่อพระพุทธเจ้าอุบัติบังเกิดขึ้นใหม่ๆนั้นะ กบินรดาบทก็เข้าไปในพระราชวังไปขอดูพระราชโอรสพระเจ้าสุโธทนาก็ให้แม่เลี้ยงนางนมเอาอุ้มมาให้พระฤาษีได้ดูพระฤาษีดูปุคลิกลักษณะของพระ อ, องค์แล้วก็ได้กราบลงไป พ่อกราบลงไปแล้วก็ร้องไห้อันเมื่อมีผู้ถามทาไมจึงร้องไห้ร้องไห้เพราะว่าพระอาชกุ ม, มา น, นี่จเจริญไว้ใหญ่โตขึ้นมาแล้วจะได้ออกบวชจะได้ตัดสรู้เป็นพระพุทธเจ้าขึ้นในโลกแต่ข้าพเจ้าจะมีอายุอยู่ไปไม่ทันถึงนั้นเลยก็จะหมดอายุก่อนแล้วน่าเสียดายนะ <c oughs> อันนี้แหละธรรมดาท่านผู้รู้ทั้งหลายเป็นอย่างนี้แหละเมื่อท่านรู้จักว่าผู้นี้เป็นคนมีบุญเป็นคนดีถึงแม้ว่าจะเป็นผู้มีอายุมากกลัวตั้งหลายเท่าก็ายอมกราบยอมไหว้แม้พระเจ้าสุโทธทนะผู้เป็นพระบิดาของพระองค์ตอนไปแลกนาขวนนั่นน่ะ พระองค์เปนนั่งสมาธิอยู่ใต้ต้นว่านั้นจิตบรรลุถึงปฐมฌานจนเอาพวกเงาไม้ว่านั้นไม่สามารถที่จะทรายไปตามเวลาบ่ายได้เลยเงาไม่ว่าคงที่พระเจ้าสุโธธนะได้เห็นบุญญาณุภาพของพระสิทธตราชกุมารอย่างนั้นก็นั่งคุกเข่าลงกราบ พระราชาอรถออรถของตน <c oughs> นี่แหละลองพิจารณาดูท่านผู้เป็นนักปราชญ์ท่านไม่ถือเนื้อถือตัวถือเอาความดีเป็นที่ตั้ง <c oughs> เมืเอ่อท่านผู้ใดมีคุณสมบัติอันดีงามเหนือกลัวตนอย่างมากมายแล้วถึงจะเป็นผู้มีอายุย่อนกลัวก็ตามก็แสดงความเคารพนับถือ เป็นอย่างนั้นอันบุคคลผู้ที่ไม่ถือเอาเหตุผลเป็นประมาณหรือไม่ถือเอาความดีเป็นหลักอย่างนี้แล้วก็แม้ว่าผู้นั้นจะมีคุณสมบัติดีวิเศษยังไงก็ตามถ้าตนมีอายุมากกวัวแล้วก็ไม่ได้แสดงความเอื้อเฟือ้อโอบน้อมอะไรต่อเลยกลัวเสียเกียรติเขามีอายุน้อยกวัวตน อย่างนี้แหละคนธรรมดาสามัญทั่วไปไม่ได้ถือเอาความดีเป็นเครื่องเทิดทูนหมายเข้ามาอย่างนั้นทีนี้บรรดานักปราชญ์ทั้งหลายนั้นท่านถือเอาความดีเป็นเครื่องเทิดทูนชีวิตจิตใจของตนท่านเกลียดต่อความชั่วขึ้นชื่อว่าความชั่วแล้วรู้แล้วว่านี้คือความชั่วอย่างนี้แล้วก็ ไม่ปาถนาจะทำมันเลยหาทางหลีกเลี่ยงอันนี้เราเรียกว่าเป็นนิสัยของนักปราศ <c oughs> บรรดาพวกเราที่เป็นพุทธศาสนิกชนอย่างนี้เนี่ยแสดงความเลื่อมใสในพระรัตนกรัยว่าเป็นที่พึ่งที่ระลึกอย่างนี้ก็สมควรที่จะบาเพ็ญตนเป็นนักปราศ ไม่ควรที่จะแสดงตัวเป็นแต่ปุถุชนอยู่เรื่อยไปนี่เราเป็นสาวกสาวิกาของพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าทรงวางพระองค์อย่างไรทรงแนะนำสั่งสอนให้วางตนอย่างไรเราก็พยายามดัดจริตนิสัยของเราให้ลงสู่ธรรมวิ น, นัยคำสอนของพระพุทธเจ้า ให้เต็มความสามารถของตน น, ะนี่แหละ <c oughs> จึงเรียกว่าเป็นผู้มีความเชื่อเลื่อมใสและเคารพอย่างจริงใจถ้าหากว่าเราไม่น้มตนลงสู่ธรรมสู่วินยัยอย่างว่านี่นะกิเลสมันก็ไม่เบาบางลงไปได้เลยเนีย่เพราะฉะนั้นเรื่องมานะทิฏฐินี่จึงชื่อว่า เป็นที่รวบรวมไว้ซึ่งกิเลสปาประธรรมทั้งหลายขอให้พากันเข้าใจ <c oughs> ความเป็นผู้อ่อนน้อมต่อธรรมต่อวินัยอันนี้เป็นอุบายกำจัดกิเลสปาประธรรมให้เบาบางออวไปจากกิจใจเพราะว่าเรื่องศีลธรรมนี่เป็นของอ่อนละเอียดนิ่มนวลสงบเย็นนี่ ไม่แข็งกระด้างดังนั้นถ้าเราไม่น้อมกายน้อมวาจาน้อมใจลงไปสู่ธรรมวีในที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงไว้นั้นมันก็ไม่มีอันใดที่จะมากําจัดกิเลสบาปธรรมออกไปได้เอาทำไมยังเป็นอย่างนั้นอันธรรมดาไม่อ่อนเนี่ยลมพัดมามันก็ล้มลงไปไม่ใช่เหรอ บางคนก็อาจจะคิดอย่างนั้นอันอย่าไปเปรียบเทียบเอาไม้เอาธรรมชาตินั้นมาใส่กับธรรมะอันเฟ้นฝ่ายกุศลมันเข้ากันไม่ได้คือหมายความว่ า, ากิเลสบาปประทัทั้งหลายนั่นนะมันก็ใจของเราเนี่เป็นผู้สร้างขึ้นเมื่อใจสร้างมันขึ้นมาแล้ว กิเลสบาปธรรมเหล่านั้นมันก็ทําใจให้แข็งกระด้างกระเดืองนี่มันเป็นอย่างนั้นทีนี้เมื่อบุคคลมาเห็นโทษของกิเลสบาปธรรมเหล่านั้นว่ามันจะพาตนให้ทํากรรมมันชั่วหนักเข้าไปเรื่อยๆจะทานําตนไปสู่ทุกข์ในวัฏฏะสงสารนี้ไม่รู้จักจบจักสิน้นเมื่อผู้ใดรู้อย่างนั้นแล้วก็พยายาม น้อมกายวาจาใจของตนลงสู่ธรรมสุวินัยคำสอนของพุทเถเจ้านี้เมื่อใจมันฝักใ่หรือมันดูดดื่มในธรรมคาสอนของพุทเถรเจ้าเข้าไปแล้วอย่างนี้มันก็ละทิ้งซึ่งความโลภความโกรธความหลงอ น, นั้นไม่สะสมกิเลสเหล่านั้นให้หนาแน่นขึ้นในจิตใจของตนเป็นอย่างนั้นเรื่องมันอะ เพราะว่าคนเรานี่นะถ้าหากว่าเรามองหาใครซึ่งไม่มีคุณสมบัติเหนือกว่าตนมากมายแล้วมันมันไม่ยินดีที่จะนอบน้อมเลยไม่พอใจที่จะเคารพนับถือเลยนิสัยปัจจัยของมนุษย์เรามันเป็นอย่างนั้นมาตั้ไหนเทไรอะ่ะเป็นอย่างนั้นดังนั้นแหละท่านผู้ที่ จะเป็นผู้นำสัตว์โลกทั้งหลายพ้นจากทุกข์นะจึงต้องสร้างบารมีเอามากมายจนว่าพระบารมีธรรมนั้นแก่กล้าเต็มบริบูรณ์ตามพุทธภูมิภูมิของพระพุทธเจ้าแล้วนั่นแหละพระ อ, องค์เจี่ยวจึงได้ตัดสรุ้เมื่อตัดสรุ้แล้วก็ประกอบไปด้วยคุณธรรมสิบประการซึ่งไม่มีในภาษาโกเลย ที่ท่านเรียกว่าทศพลยานนะพระองค์ทรงไว้ซึ่งพยานสิอย่างะพะยานอันสำคัญที่สุดก็คือพระสัพพยุตัญญาณแปลว่าพยานที่อย่างรู้สัพพเยยธรรมทั้งหลายเนี่ยสุดท้ายก็เรียกว่ารู้อริยสัจธรรมทั้งสี่อันนี้แหละนับว่าเป็นพระปีชายานอันสำคัญของพระพุทธเจ้าทั้งหลาย คือว่าพระองค์คนพบอริยสัจธรรมทั้งสีนี้ก่อนคนอื่นทั้งหมดแล้วก็ไม่มีใครแนะนำอุบายต่างๆให้พระองค์เลยพระองค์ใช้ความสา ม, มารถของพระองค์ภาคเพียพรพยายามไปก็ถึงได้รู้แจ้งในอริยสัจธรรมทั้งสีนี้ได้เหตุนั้นท่านจึงเรียกว่าเป็นอัจฉริยะบุคคล แปลว่าบุคคลที่น่าอัศจรรย์มากอัศจรรย์ความเพียรความพยายามความอดทนของพระองค์นั่นแหละอัศจรรย์พระปัญญาอันยิง่งเหนือมนุษย์และเทวดาทั้งหลายนั่นก็ถึงขนาดนั้นแหละมนุษย์และเทวดาทั้งหลายผู้มีเกียรติยศชื่อเสียงเช่นพระราชามหากษัตริย์เศรษฐีมหาเศษรษฐีโมเนย ก็จึงได้ยอมเคารพนอบน้อมต่อพระองค์อนอกจากนั้นแล้วก็ได้แก่พวกฤาษีดาบทอะไรที่ถือตัวว่าตนผู้มีฤทธิ์มีเดชอยู่โมนั้นก็ต้องได้พยายามนอบน้อมต่อพระองค์สําหรับท่านผู้มีบารมีแก่กล้าแล้วก็ได้ขอบวชในสํานักของพระองค์บวชแล้วบําเพ็ญไปไม่นานท่านก็ได้สําเร็จอรหัน มูนี้กระวนตั้งแต่ได้ลดทิฐิมาหน้าของตนลงทั้งนั้นแหละที่ตนสำคัญว่าตนดีมาแต่ก่อนนั่นนะลดทิ้งหมดเลยไม่เอาอนั่นแหละมายอมรับเอาพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้านี่ยกใส่เกล้าเท่าใส่หัวปฏิพฤตปฏิบัติตามด้วยความไม่ประมาทถ้าเป็นครวดวิสัยก็น้อมเอาทานน้มใ นี่เข้าไปตั้งไว้ในจิตใจของตนยินดีในการบริจาคทานทุกเมื่อนั่นแหละน้อมเอาศีลห้าศีลอุโบสถไปใส่ใจไว้รับปฏิบัติตามโดยความไม่ประมาทอย่างนี้แหละ <c oughs> น้อมเอาอสมาธิภาวนานี่เข้าไปไว้ในใจคือว่าฝึกหัด นั่งสมาธิภาวนาตามที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนไว้สำหรับคราวาดก็ลองฟังดูสิทานศีลภาวนาเนี่ยไม่ใช่ว่าภาวนาแต่ภิกษุสามเณรเท่านั้นนะแม้ผู้ครองเลือนก็ภาวนาเหมือนกันแต่คนส่วนมากนะไม่ค่อยสนใจเลยสนใจแต่กินกินทานทานไปตามประเพณี เท่านั้นแหละเป็นูนย์มากนะแม้แต่ศีล น, นี่ก็ไม่ค่อยสนใจกันเลยเอาแต่มันจะได้เอาถ้าเข้าวัดทีหนึง่งก็สมทานศีลห้าชียครั้งนึงแล้วก็เลี้ยวไปเมื่อออกจากวัดไปแล้วศีลห้าก็ฝากไว้กับพระไม่ได้เอาติดตัวไปในบ้านเลยอย่างนี้มีอยู่ท้อไปอ่เป็นอย่างนี้น่ า, นาทุเลศ อันนั้นได้ชื่อว่าเป็นผู้ที่ไม่ได้ทราบซึ่งในคุณของสินด้วยปัญญาของตนเองเลยไม่ได้มองเห็นว่าสินอันนี้เป็นสมบัติอันล้ำค่าสำหรับชีวิตของตนนะ่ะไม่ได้คิดเห็นเลยนะคนส่วนมากนะนึกว่าเป็นประเพณีเฉยๆรับสินก็รับไปตามประเพณีเท่านั้นเลย เมื่อเลิกจากวัดวาอารามไปแล้วก็เล้วไปเลย <Okay. S 1> ก็ยังไปทําความชั่วอยู่เหมือนเดิมอย่างนี้มีอยู่ทมไปเป็นอย่างนั้นความจริงนะศีล น, นะเป็นสมบัติอันรําค่าจริงๆอ่ะเพราะผู้ใดมีศีลแล้วผู้นั้นจะเป็นผู้ไม่ทําบาปผู้ไม่ทําบาปแล้วก็ชีวิตนี่มันก็จะไม่หมุนไปสู่ทุกข์ทั้งในปัจจุบันและเบื้องหน้าอละโลกนี้ไปแล้วก็จำ ถ้าหากว่ามันจะต้องไปเกิดอีกก็เกิดในสถานที่มีความสุขความเจริญยิ่งยิ่งขึ้นไปเช่นสวรรค์ดังที่ตำราท่านกล่าวไว้นั่นแหละคนทั้งหลายไม่ได้น้อมจิตคิดพิจารณาให้เห็นคุณค่าของสินว่าเป็นของประเสริฐจะนำชีวิตของตนให้บรรลุถึงซึ่งความสุขอันยึง่งยั่งยืนนานเนี่ย คนทั้งหลายมาติดแต่ความสุขชั่วคราวอยู่อย่างนั้นแหล ะ, อะพอเกิดมาเป็นคนแล้วมีอวัยวะร่างกายสมบูรณ์กินก็ได้นอนก็รับฟ้อนราขับร้องดีดสีตีเป่าอะไรก็ได้อย่างนี้เราก็ถือว่าตนมีความสุขสบายแล้วก็ลืมเสียลืมศีลลืมทมลืมบุญลืมบาปไปเลย ตนทำบาปอยู่ก็ไม่รู้ตัวอย่างนี้แหละเมื่อเป็นเช่นนี้แล้วมันจะไปนำตนในพ้นทุกได้อย่างไร อ, ะอ่ะเกิดไปชาติใดก็จะไปเสเวยแต่ทุกจากการกระทำบาปกรรม น, นั้นไม่รู้จักละไม่รู้จักทอนเลยเนะไม่คิดที่จะละบาปเลยในชีวิตนะ่ะคนส่วนมากเป็นอย่างนั้นด <c oughs> ันั้นในที่นี้จึงขอเตือนเพื่อนพุทธบริษัททั้งหลาย ขอให้สำนึกถึงคำสอนของพระพุทธเจ้าไว้ให้มาก <c oughs> <c oughs> นึกถึงคำสอนของพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้านั้นพระองค์เจ้าตัดสรุแจ้งแทงตลอดเรื่องบาปบุญคุณทอดจริงๆ <c oughs> <c oughs> ถ้าว่าพระองค์ไม่รู้จริงนั้นพระองค์ไม่ได้ทรงแนะนำสั่งสอนพุทธบริษัทเลย <c oughs> เหมือนอย่างเช่นพระองค์เจ้า เสด็จออกบวชทีแรกนั่นแหละเมื่อยังไม่ได้ตัดสู้เป็นพระพุทธเจ้าพราะองค์ไม่ได้สอนคนเลยแล้วก็ไม่ได้ประกาศความตัดสู้อะไรให้ภิกษุปัญจวคีรีทั้งห้านั้นฟังเลยออืมเมื่อพระองค์ตัดสู้แล้วเสด็จไปโปรดปัญจวคีรีทั้งห้าที่ป่าอีศีปตนะมลุกาทายวานใกล้กับเมืองพระราณสีนั่นแหะ ภิกษุบรญจัรยีทั้งห้าก็ยังไปต่อว่าพระองค์เมื่อพระองค์ประกาศว่าจะแสดงธรรมให้ฟังอย่างนี้อัญญากคนัญญะก็คัดค้านพระองค์ว่าพระองค์นั้นไม่ได้ตัดสรู้เลยเพราะว่าคลายความเพียรเวียนมาเป็นคนมากๆจไหนจะได้ตัดสรู้อย่างนี้แหละ <c oughs> เมื่อพระองค์เจ้าทรงตักเตือนว่า ไอ้คำพูดเช่นนี้นะเราเคยพูดมาหรือเปล่าตั้งแต่ที่ล่วงแล้วมาตั้งแต่เรากับพวกท่านทั้งหลายอยู่ด้วยกันนะ่ะเราได้เคยพูดอย่างนี้หรือไม่ให้ทบทวนดูเมื่อท่านเหล่านั้นทบทวนดูก็ปรากฏว่าพระองค์ไม่ได้พูดอย่างนั้นสักทีเลยพระองค์ไม่ได้พูดว่าพระองค์ได้ตัดสรุ้แล้วอย่างนี้นะไม่มีเลยดังนั้นแหละ ปัญจวกีทั้งห้านั้นจึงได้สำคัญว่าพระองค์เป็นผู้ตัดสรุสัมมาสัมโพธิญาณแล้วจริงๆจึงได้แสดงความเคารพกราบไหว้ยอมตนที่จะฟังทำคำสอนของพระองค์อย่างนี้ <c oughs> ถ้าว่าท่านภิกษุปัญจวคีทั้งห้านั้นไม่ยอมอเคารพหรือว่าเชื่อถือ ค่อยคำของพระองค์ที่พระองค์ทรงแสดงว่าพระองค์เป็นสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วนั้นพระองค์ก็จักไม่แสดงธรรมให้แก่ฤาษีทั้งห้านั้นเลยแหละเพราะว่าถึงแสดงไปได้มันก็ไม่สามารถที่จะรู้แจ้งได้เลยเนื่องจากว่าจิตใจแข็งกระดัางกระเดื่องไม่เชื่อไม่เคารพลองลองพิจารณาดูสิความเคารพนอบนอบ้นอมความเชื่อ นี่นับว่าเป็นปัจจัยสำคัญมากที่จะให้คนเราได้บรรลุถึงกุศลธรรมต่างๆนับแต่โลกียะกุศลไปจนถึงโลกุตระกุศลนั่นแหละมันมันเกิดขึ้นได้ด้วยอาการที่เราเคารพอ่อนน้อมลงไปจริงๆอะ่ะน้อมตนลงไปต่อทานอย่างนี้นะก็อย่างที่พระพุทธเจ้าแนะนำไว้นั่นแหละ ก่อนจะให้ทานอะไรก็ยกของทานจบศีรษะก่อนนั่นแสดงว่าเราเคารพต่อทานเราเชื่อว่าทานนี่มีผลดีจริงผลทานนี่จกอานวยความสุขให้เราจริงเนี่ยเราจึงได้แสดงความเคารพต่อทานนั้นก่อนจึงค่อยน้อมเข้าไปถวายผู้รับนั่นเนี่ยเราน้อมตนต่อศีลอย่างนี้อ่ะ ตอนที่เราจะรักษาศินเราก็ได้กราบได้ไหว้ไดอ้อาราธนาศินเข้าไปงั่นแสดงว่าพอใจที่จะรับเอาศินนั่นไปปฏิบัติตามจึงได้กล่าวคำอาราธน า, าต่อพระขอให้พระท่านประกาศศินให้ให้ท่านเป็นสักขีพยานว่าพวกข้าพเจ้าทั้งหลายจะรักษาศินห้า หรือว่ารักษาศีลอุโบสถอันประกอบไปด้วยองค์8ประการให้บริสุทธิ์บริบูรณ์จากไม่ให้ขาดไม่ให้ด่างไม่ให้พร้อยนี่แหละมันเป็นความสาัตย์ความจริงนะเราตั้งความสาัตย์ความจริงลงนี่ก็เป็นการแสดงความอ่อนน้อมต่อศีลจริงๆเมื่อสมทานแล้วก็สํารวมระวังตนจริงๆไม่ให้ศีลมันด่างมันพร้อย ออย่างนี้มันก็มีอา น, นิสงส์มากแหละบ้านี่การรักษาศีล น, นั่ น, นเพราะว่าเราต้องน้อมกายวาจาใจลงต่อศีลจริงๆอ่ะถ้าหาว่าไปใจแข็งกระด้างกระเดืองเข้าไปแล้วสักหน่อยศีลก็ขาดแหละบ้านี่นะรักษาศีล น, นั้นไว้ไม่ได้เลยเป็นอย่างนั้น <c oughs> <c oughs> เพราะฉะนั้นแหละอันชีวิตของคนเรานี่นะ ที่มันจะถึงซึ่งความบริสุทธิ์พุทธ่องจากกิเลสบาปธรรมได้ก็เพราะอาศัยการที่เรายึดมั่นอยู่ในข้อปฏิบัติสประการนี้เองถ้าเป็นพระภิกษุสามเณรก็เป็นผู้มั่นอยู่ในศีลสมาธิปัญญาถ้าเป็นทายกทายิกาก็เป็นผู้ตั้งมั่นอยู่ในทานในศีลในภาวนาโดยความไม่ประมาท ทำความพอใจในข้อปฏิบัติอย่างนี้อย่างแก่กล้าที่เดียวไม่ใช่พอใจธรรมดาพอใจอย่างหนักแน่นเลยในชีวิตของเรานี่จะไม่ละเว้นจากข้อปฏิบัติอันนี้เลยนี่สมทานมั่นลงไปอย่างนั้นจริงๆเมื่อพู้รุสมทานมั่นลงไปอย่างนั้นแล้วลงมือปฏิบัติไปตามนั้นแล้วบุญกุศลมันก็เกิดได้ทุกเวลาเลย ในตัวของบุคคลผู้นั้นก็เต็มไปด้วยบุญกุศลเนะ่เมื่อเป็นผู้สั่งสมบุญกุศลใส่ตนอยู่เป็นประจำอยู่นั่นแล้วบาปมันก็ไม่มีโอกาสจะแทรกแซงเข้าไปได้เลยนี่นั่นแหละสาเหตุที่บาปมันจะหมดไปสิ้นไปจากกายวาจาใจได้ก็เพราะว่าบุคคลมาทำความพอใจในบุญกุศลให้มากขึ้นเรื่อยๆ ไม่ได้ให้ทานวัตถุสิ่งของก็สำรวมในศีลให้บริสุทธิ์ไม่ร่วงศีลอันนั้นมันก็เป็นบุญกุศลส่วนหนึ่งแล้วเอานอกจากให้สำรวมในศีลแล้วนั่นเราก็มีภาวน า, เ, าเพราะว่าเรื่องรักษาศีลก็ดีภาวนาก็ดีไม่ได้สิ้นเปลืองเงินทองเข้าของอะไรเลยเพียงจะมาสำรวมกายวาจาใจของตน ให้มันสงบระ ง, งับลงไปจากความโลภความโกรธความหลงนี่ให้ได้อเรียกว่าทําให้กิเลสเหล่านี้มันสงบลงแต่มันก็ยังไม่ขาดเด็ดไปได้ก่อนหรอกแต่ขอให้มันสงบลงไปให้มันอ่อนกําลังลงนี่เราต้องพยายามภาวนาตัดรอนมันให้มันเบาลงไปเรื่อยๆอ เชนอย่างความโลภนี่มันก็พอเบาอยู่ว่างคนผู้เลื่อมใสในศีลธรรมลซึ่งจะไปคิดอยากจะได้สมบัติผู้อื่นมาเป็นของตนแล้ววางแผนโชคโกงหลอกลวงเอาโดยทางทุจริตอยนั้นคงไม่มีแต่ว่าเรื่องความโกรธนี่สิความโกรธเนี่ยถึงแม้ว่าผู้รักษาศีลฟังธรรมอยู่มันก็ยังมีอยู่ในใจอยู่นี่ เมื่อใครพูดอะไรไม่สบกับอารมณ์แล้วมันก็หงุดหงิดขึ้นมาอ่านี่มันมีอยู่เพราะฉะนั้นต้องให้สำรวจกรวจการดูจิตใจของตนให้มากทีเดียวอ่ะต้องสังเกตไปเป็นระยะระยะไประยะเวลาที่มีอารมณ์ไม่ดีไม่งามกระทบกระทั่งเข้ามานะ่ะอ่าตนมีสติควบคุมจิตได้เพียงไหนไม่ให้จิตมันวันไววหรือว่าหงุดหงิดหรือว่า โกรธไปในเรื่องนั้นอะเรื่องไม่พอใจนั่นอ ะ, อะตนควบคุมจิตใจของตนได้เพียงไหนหรือว่าควบคุมจิตใจไม่อยู่ถ้าตนสังเกตตนไปเรื่อยมันก็รู้ได้ อ, อืมพอรู้ว่าตนยังควบคุมจิตให้ตั้งมั่นต่อเรื่องนี้ยังไม่ได้จิตยังวันไหวไปอยู่ ตั้งสติสัมปชัญญะให้กระชับเข้าไปกั่วนั้นละมัดระวงังจิตใจของตนสำรวมจิตของตนให้แน่วแน่ไปกั่วนั้นแล้วใช้อุบายปัญญาสอนจิตใจเห็นโทษแห่งความโกรธความหงุดหงิดในดใจิตใจแม้ไม่แสดงออกทางกายวาจา ก, ก็ตามเพียงแต่แสดงออกทางกิริยาใจกิริยาของจิตใจนั้นมันก็เป็นชนวน ที่จะให้แสดงออกมาทางกายวาจาได้เหมือนกันแหละเมื่อมันก่อตั้งกิเลสเหล่านี้ให้มากมากขึ้นไปแล้วเพราะฉะนั้นน่ะเมื่อเราปพฤพิปฏิบัติเข้มงวดเข้าไปจริงๆแล้วก็ระวังอย่าให้จิตมันหงุดหงิดเลยเมื่อได้กระทบกับอารมณ์ที่ที่ท่านเรียกว่าอานิจฐานอารมณ์อารมณ์ที่ไม่ชอบใจนั่นแล้วก็สะกดจิตไว้ไม่ให้มันวันไว้ไปตามอารมณ์นั้นให้ได้ เมื่อเราสะกดมันไว้บ่อยๆเข้าไปอย่างนี้มันก็เข้มแข็งขึ้นแล้ววันนี้นะมันก็ไม่เผอเมื่ออารมณ์มันเช่นนั้นกระทบกระทั่งต่อไปมันก็กระทั่งต่อไปมันก็รู้สึกเฉยๆไม่ตื่นเต้นอะไรเลยเพราะมันมีกำลังสมาธิกำลังสติ